กลัวเข็มฉีดยามากถามถ้าเป็นคนกลัวเข็มฉีดยามากๆจะแก้ความกลัวได้อย่างไรตอบความกลัวประเภทเนี้เหล่านักปฏิบัติธรรม เขาใช้เป็นเครื่องเล่นซ้อมฝึกสติกันครับจากหลักความจริงง่ายๆคือเมื่อได้สติสัมปชัญญะมีกําลังเหนือความทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจจะไม่เกิดหรือเกิดน้อยมากเรียกว่าสวยทุกข์ทางกายตามจริงอย่างเดียวไม่สวยทุกข์ทางใจให้เกินจริงเป็นของแถมต่อไปถ้าต้องเจอเข็มฉีดยาอีก ก่อนเดินเข้าหาหมอขอให้ตั้งใจไว้ว่าวันนี้เรามาเล่นสนุกกับความกลัวหรือมาเพื่อสนุกกับการฝึกสร้างสติเมื่อตั้งความคิดไว้เช่นนั้นความกลัวเข็มจะลดลงแล้วกว่าครึ่งพอถึงเวลาเข้าได้เข้าเข็มต้องโดนหมอลงยาฉีดให้สังเกตว่าก่อนถูกฉีดยาจะมีทุกข์ทางใจเกิดขึ้นก่อน คือทุกทางกายยังไม่ทันเกิดทุกทางใจดันชิงตัดหน้าเกิดขึ้นเสียแต่เช้ามืดแล้วขอให้พินิษ์เข้าไปในรายละเอียดของความกลัวสิ่งที่ปรากฏพร้อมกันคืออาการหดตัวของกล้ามเนื้อจากนั้นจึงถึงคิวของจริงคือความเจ็บจีดเพราะโดนเข็มแทงเฉพาะที่เทาว่าความเจ็บเฉพาะที่นั้น ก็อาจส่งต่อเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่แล่นทั่วไปทั้งร่างโดยเฉพาะถ้าใจเราช่วยขยายผลคือคิดว่าเจ็บมากเจ็บเลอเกินกำลังจะแย่แล้วทั้งกายก็แทบจะระเบิดเป็นเสีียงๆทีเดียวอาการที่จิตยึดมั่นถือมั่นอย่างรุนแรงในความเจ็บปวดณจุดเล็กๆนั้นก่อให้เกิดจินตนาการเลวร้ายขึ้นมากมาย จินตนาการนั่นแหละที่ทำให้คนเราตอบสนองความเจ็บปวดแตกต่างกันบางคนแค่ทำหน้าเฉยเฉยรอหมอถอนเข็มในขณะที่บางคนต้องทำหน้าบิดเบี้ยวหย่เกราวกับใครเอาตะปูตอกนิ้วสรุปสั้นๆคืออย่าเห็นใจตัวเองเกินควรแต่ให้เห็นจิตตัวเองตามจริงว่าด้วยเหตุอย่างไร จึงเกิดผลแบบไหนคุณอาจแปลกใจและรู้สึกสนุกกับการพบว่าด้วยใจที่ไม่ปรุงแต่งเกินจริงเท่านั้นจึงสามารถรับรู้ความเจ็บจีตตอนโดนเข็มแทงว่าเกิดขึ้นไม่นานเลยแต่ถ้าใจยึดมั่นถือมั่นปรุงแต่งจินตนาการรุนแรงความเจ็บจะมาก่อนเข็มจริงแถมเมื่อเข็มถอนออกไปแล้ว ก็ยังอุตส่าห์ทิ้งความเจ็บตกค้างไว้อีกเนิ่นนานยิ่งเห็นความจริงทํานองนี้บ่อยขึ้นเท่าไหร่จิตก็จะค่อยๆฉลาดและลดความยึดมั่นลงปล่อยวางมากขึ้นความเจ็บจากการถูกฉีดยาก็เหมือนสิ่งอื่นที่เกิดขึ้นแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาจะโอยก็โอยตามเนื้อผ้าไม่โอยเกินเนื้อผ้าออกไปครับ